อิธิบาทภาวนาหรือการเจริญอิธิบาทเป็นไฉนภิกษุในธรรมมวินนยนี้ย่อมเจริญอิธิบาตที <S <S ่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิติบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิธิบาตที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร